การภาวนาเนี่ต้องพยายามทำให้สม่าเสมออย่าไปทำแบบรุ่มรุมดอนดอนพยายามทำให้สม่าเสมอนั่นลหละดีที่สุดเป็นหนทางที่ถูกต้องที่สุดเป็นหนทางที่รวบลัดเรียกว่าเป็นผลที่จะได้รับไม่มีทางอื่นที่จะรัดยิ่งกว่าการทำให้สม่าเสมออย่าให้ขาด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 เดี๋ยวต้นไม้ก็ใหญ่ขึ้นถ้าเราถ้าเราดูแลรักษาดีไม่มีวิธีอย่างอื่นที่จะให้ต้นไม้โตเร็วดึงยืดขึ้นมาใช้วิธีรีดขึ้นมาใช้วิธีอะไรละหลายหาอย่างมีแต่ต้นไม้ไมาจะตายเท่านั้นน่ะมีทางเดียวคือดูแลรักษาให้สม่ำเสมอ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 ความสะอาดของตนเองแต่ทีนี้น้ำในกระบอกนั่น่ะมันก็มีตุ่มน้ำมีขันน้ำหรือว่ามีเครื่องชำระว่า ง, งั้นมีกระบอกน้ำกระบอกหนึ่งจะเป็นขันน้ำก็ใช่จะว่าเป็นกระบอกก็ใช่เพื่อชำระล้างตอนนี้พระในค้งนั้นในบางองค์น่พอเขาไปชำระล้างแล้วค้างไว้ค้างน้ำไว้ในกระบอก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 ถ้ารู้แล้วทําเป็นอบัติแต่ไม่รู้ไม่เป็นนบัติเพราะอันนี้ไม่สิกขาบทนี้ถ้าไม่มีเจตนาไม่เป็นอบัตเพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วอย่างนี้ถ้าทําอีกต่อไปเป็นอบัติ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พรอวินัยพระธรรมมัถึดบอกว่าครับผมไม่รู้จริงๆครับท่านทอนี้พอต่อมาพระวินัยทรก็อยากจะได้หน้าว่างั้นเตะ ก็เลยไปบอกให้ลูกศิษย์เอ้ยพระธรรมากระถึกเนะ่เป็นคณาจารย์สอนลูกศิษย์ตั้ง4ี่ห้าร้อองค์วินัยแค่นี้ก็ไม่รู้ตัวเองเป็นต้องถูกเป็นอาบัตทุกกฎขังน้าไว้ในกระบอกเพียงแค่นั้นก็ไม่รู้แต่นี้ลูกศิษย์ก็ทางลูกศิษย์ของทำไอวินัยทรนนะี่ก็พูดกันละบัตเลยก็ไปเยอะหยานทาง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 พูดสับประพูดโกหกเป็นอบัติปาจิตติเราเป็นอาบัตทุกข์น้อยกว่าแต่พระวินัยทรนพูดโกหกเรียก ว, ว่าเป็นเรียก ว, ว่าไม่เป็นเป็นอบัติปาจิตติหนักกว่าเราอีกเทีฝ่ายลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าพราะวินัยทรเป็นอบัตปาจิตติพราะพูดโกหกทีนี้แหละพระสองขณาจารย์เนี่ยทะเลาะกันเลยแท้เลยนี่แหละ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 ใครจะมีวาทะวาทะเป็นเสียแต่ว่าบวชบวชในโครงการจะไม่ศึกบวชตลอดไปอย่างโครงการบวชถวายองหลวงตาอย่างนี้อันนั้นเราก็ไม่ว่ากันพอเหตุไรเพราะเราได้สืบสอบประวัติผู้คนทุกองแล้วแล้วก็มีเจตนาอย่างนั้นแต่คราวนี้การบวชมันต่างกัน อย่างตะ ก, กอนกเคยบวชนักศึกษาที่เป็นเตรียมทหารหรือเตรียมตำรวจหรือว่าเตรียมแพทย์คณะแพทย์หลวงพ่อจะไม่ให้อยู่ถึงกำหนดแล้วก็ต้องลาตะก่อนมีอะไรต้องคิดให้จบตะกอนหรือว่าให้ออกไปตะกอนให้ศึกษาตะกอนจากนั้นเราจะเข้ามาเป็นส่วนบุคคล เรากค่อยถามไทยว่าไปยังไงมายัางไงมีเจตนาอะไรนั้นเราจะได้ศึกษาถี่้วนจากนั้นเราจึงจะให้บวชแต่เราไม่ได้สึกษาถี่ท้วนเรายังไม่รับเพราะกลัวจะมีปัญหาทุกวันนี้มันมีปัญหาเยอะแยะที่จะตามมาเพราะนั้นพวกเราบวชในโครงการหลวงพ่อให้ศึกไปก่อนให้พร้อมกัน แต่พวกเราจะมีเจตนาอยากจะมาบวชต่อไปภายภาคหน้าอันนั้นยค่อยว่ากันเพราะวัดของเราก็รับอยู่แล้วในการบวชกาเจตนาดีมีความมุ่งหวังดีมีความตั้งมั่นมีความตั้งใจดีกระบวตแต่ถ้าว่าบวชเข้าไปแล้วอย่างที่เคยมีเคยเป็นพอครูบาอาจารย์ไปเทศนาว่าการ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 นายพลเขาเห็นว่านกกระจาบฝูงนี่มันเยอะเขาเลยไปเอาตาคายเอาไปดักดักนกกระจาบฝูงนี่ว่าไงนะพอนกกระจาบลงไปกินเขาไปชักตาคายเพื่อจะจับนกกระจาบนกกระจาบฝูงนั้นมีหัวหน้าอยู่ตัวเดียว หัวหน้าก็ได้สั่งลูกน้องพร้อมกันเลยบอกพวกเราบินคือมันขึ้นพร้อมกันตาข่ายของนายพานขึ้นไปอยู่บนยอดไม้แล้ว่างั้นเพราะกำลังมันมันพร้อมมันเพียงพอนกกระจาดฝูงใหญ่พอต่อมานกกระจาดฝูงนั้นมันแตกกันบัดแย่งกันเป็นใหญ่เป็นสองหัวหน้าไม่ลองรอยกันเวลาหัวหน้า หนึ่งก็แสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งหัวนหน้าข้างหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งพอต่อมานกกระจาบฝูงนั้นลงไปกินในท้องนาทุ่งนาทุ่งหญ้ า, ากว้างอย่างกล่านั้นพอจากนั้นนายพรานก็เอาตะข่ายไปดักเพราะนายนพรานเนี่ยดักตาข่ายเนี่เสียตะข่ายไปหลายครั้งแล้วงั้นเลแต่จับไม่ได้แต่เขาเนี่ยก็เป็นดักอีกพอไปจับแต่นกกระจาบมันแตกกันเป็นสองฝูงมาเลย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 น, า, น า, ายผ่านตาไข่ผ่านนกก็เลยไปจัดการใชเอาทอดใส่กระทะใะเกี่ยงทั้งฝูงว่ากันก น, นี่แหละความแตกสามัคคีกันจิบหายบอพระพุทธเจ้าท่านเทศนาให้แก่กลุ่มพระมุรุท่ที่อยู่ด้วยกันสามสีห้าองค์จากนั้นท่านก็พูดอีกว่าตัดอีกว่า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 กิ่งไม้คอเนะ่ยกิ่งไม้สะคอเนะ่ยกิ่งแห้งเนะ่ยมันเลยหลุดมันหักไปงั้นแหละหล่นลงมาถูกหัวหมีหมีตอนนั้นก็โกรธโมโหให้ต้นสะคอบอกเอาเถอะมันกิ่งไม้ทําไมหล่นใส่หัวเราถ้าว่าเรามีโอกาสเราจะต้องค้นไม้คอไม้สะคอตัว น, นี้แน่นอนพราะหมีมันโกรธไปงั้นแหะหมีก็เลยหนีไปนอน อีกที่อื่นในวันนั้นมีนายช่างในช่า ง, งที่จะทำที่จะทำรถว่างั้นะช่างที่จะทำรถเดินเข้าไปในป่าเพื่อจะไปหาแอกรถมาทำใช้รถของตนเองเขาก็เดินเดินเข้าไปในป่าพร้อมกับทัพพสมประมีขวานมี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 ไม้สะคอเนี่ยเป็นไม้ที่เนื้อแข็งที่สุดคงทนที่สุดถ้าว่าท่านจะเอาไปทำงอนรถนั้นไม้สะคอเนี่ยแะเป็นไม้เนื้อแข็งนั่นะต้นนั้นน่ ะ, ะทำเป็นแอกเป็นงอนรถได้คนก็น เ, เห็นว่ามีพูดภาษาคนได้คนก็เลยเด่งไปหาต้นไม้ตัว น, นั้นก็เลยไป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 งอนรถของท่านเนี่ยจะสวยงามมากดำมืมุมเลยว่างั้นเอาหนังหมีหุ่มเลยเอา้าจะหาได้ที่ไหนหนังหมีเลยเอา้าเนี่ยมัน น, มนอนอยู่นั่นน่ะไปย่องย่องไปเอาขวานจับหัวมาเลยจากนั้นก็ลอกออาหนังมันมาหุ่มงอนรถก็ได้แต่นี่้ช่างงอนรถเออจริงว่าเลยจากนั้นก็เดินไปหมีพอบอกว่าให้คนตัดไม้นกะ็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 แต่บางคนบางท่านก็าเอา้าทําไมหมีพูดได้อันนี้เราอย่าไปคิดคือเราพูดเอาสาระขึ้นมาเนื้อหาสาระาการแตกแยกสัมมคีกันการพยาบาท อ, องอาฆาตจองเวีนกันมันจิบหายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้จากนั้นพระพระพุทธเจ้าออกจากเสด็จจากที่นั่นไปท่านก็ไปจปําพรรษา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 ถ้าหาว่าลูกไม่อยู่ในโอวาทพ่อแม่ก็หนักใจอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านหนักใจนะั่นะเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกทั้งหลายที่มีพ่อมีแม่มีวงศาคณาญาติจะทำสิ่งใดต้องคิดให้รอบคอบอย่าไปเอาแต่ใจตัวเองถ้าเป็นเอาแต่ใจตัวเองอย่างว่านะั่นแหะความผิดหายวายปวงก็จะเกิดขึ้นพ่อแม่ก็เป็นทุกข์อกทุกข์ใจกับเราเพราะนั้นอย่าให้ท่าน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 เพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องยืดหยุนในการเป็นอยู่ในการดํโรงชีพของเราเพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธนะพุทธะแปลว่าผู้รู้เป็นผู้ฉลาดต้องใช้ความรู้ต้องใช้ความสะาดเป็นเครื่องปรับปรุงแก้ไขตัวเองชีวิตของเราก็จะราบรื่นเรียบร้อยดีงามไม่มีอุปสรรคใดๆ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 หนีให้พ้นอย่างหมาไล่กัดเนี่ยก็วิ่งขึ้นบันไดสองสามขั้นหมาก็ขึ้นไม่ถึงถ้าหนีช้างก็ขึ้นต้นไม้หลบเข้าไปในถ้ำหนีสัตว์้ายหนีพ้นแต่หนีคนพาหนะให้หนีจนสุดฟ้าเขาเขียวถ้าคนพานละชนให้หนีให้ไกลอย่าไปคล้องแวะ อย่าไปสนทนาด้วยอย่าไปพูดด้วยพยายามหนีให้หา่างให้ห่างไกลยอย่าไปคบค้าสมาคมถึงจะอยู่ใกล้ก็ทำใจให้หา่างให้อยู่คนละจักรวานนเ ล, หาา ล, หหลาเหมือนกันเถอะนี่แหละหนีคนพลานี่ภารชนให้หนีไกลเหมือนกับหนีความชั่วในใจของเราเนนะ่ยความชั่วในใจของเราก็พยายามหนีให้หา่างสิ่งไหนที่เป็นความชั่วเรา่าไปคิดทํา ถ้ามันจะคิดกินเหล่าเมายาสุรานารีสิ่งไหนที่มันออกนอกลนูนอกทางพยายามหนีให้ห่างกิเลส ต, ตัวนั้นอันนั้นแหคือพาลเป็นภาระชนอ่ะตัวนั้นจะทําให้เราจิบหายเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนนะอนาคตยังไกลากอาไกลอนาคตยังไกลที่พวกเราจะได้จะต้องต่อสู้ไปอีกนมนานถ้าเราทําตัวไม่ดีแล้วอนาคตมืดบอดแน่นอน แต่ถ้าว่าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นบรรทัดฐานเป็นกระจกส่องเงาอยูต่ตัวเองอยู่เสมอนะพวกเราจะได้รับความร่มเย็ยนผาสุขตลอดไปนะวันนี้ได้พูดเบื้องต้นเรื่องสมาธิการดูจิตใจของตนเอง อาหารกายอาหารใจการปรับปรุงแก้ไขกายใจคนละอย่างกันและต่อมาก็ได้พูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่การวางตัวการมีในอยู่ในเพื่อนมนุษย์ชาติความมีการอยู่ด้วยกัน้วยความพร้อมเพียงสา ม, มัคคีถ้าผระสงค์อยู่ด้วยการพร้อม้วยความพร้อมพร้อมเพียงสามัคคีท่านกนว่าสังฆะสังฆะโสภนา ความพร้อมเพียงของสงเกิดสุขใช่หรือาเราเป็นฆราวาสก็เช่นเดียวกันแต่เรามีความพร้อมเพียงสมัครีในหมู่ในคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวของเราในวงศาคนาญาติของเราครอบครัวของเราวงสารนะคณะญาติของเราก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขเพราะมีความพร้อมเพียงสมคัครีเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจท่านมาใส่ใจเราใจเรามาใส่ใจท่าน มีความอด อ, อ่อนน้อมถ่อมนตนรู้จักการปรับปรุงแก้ไขการะเทศะบุคคลพวกเราก็จะได้รับความลมเย็ยนผาสุขตลอดไปต่อ น, นี่อไปก็ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาสักกันน